ถามเรื่องกรรมนิมิตและคตินิมิตเมื่อคนใกล้ตายทุกคนจะมีคตินิมิตหรือไม่และเมื่อจุติจิตแล้วจะปฏิสนธิตางคตินิมิตเสมอไปหรือไม่มีผลทันทีหรือไม่เพราะอะไรจิตนี่จะสืบต่อเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแม้ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ แล้วท่านก็มองเรื่องการไปเกิดเหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่เป็นแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนในแง่ของนามธรรมแล้วเหมือนกันคือเกิดดับสืบต่อไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของปฏิสนธิจิตและจุติจิตก็เป็นเพียงขณะหนึ่งขณะหนึ่งตามธรรมดาเพียงแต่จิตเกิดดับสืบต่อไปถึงจังหวะสาคัญ ซึ่งมีเหตุการณ์ที่แรงทําให้จิตมีอาการแสดงตัวแรงขึ้นมาและมีกรรมนิมิตกักคตินิมิตคล้ายๆว่าจิตมาถึงจุดวิกฤตธรรมดาในจิตของเรานั้นสิ่งที่สั่งสมเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีภาวะวิกฤตที่จะทําให้ปรากฏพอถึงจุดวิกฤตนี้ภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตก็ปรากฏขึ้นมาหมายความว่า สิ่งที่กระทำไว้ทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนเมื่อถึงจุดวิกฤตก็ฉายเป็นภาพสะท้อนจากอดีตขึ้นมาเสร็จแล้วจิตก็โยงจากภาพสะท้อนนั้นปรุงแต่งเป็นภาพสั ญ, ญลักษณ์ที่สื่อถึงอนาคตเรียกว่าคตินิมิตคือภาพตัวแทนของสภาพที่จะไปเกิดข้างหน้าซึ่งก็เป็นอีกขนาดจิตหนึ่งเท่านั้นเองคล้ายเป็นตัวบอกทิศทางหรือเป็นภาพฉายคุณสมบัติของจิต ที่มันบอกตัวเองหรือฟ้องตัวเองว่าฉันมีความพร้อมจะไปที่ไหนไม่ใช่คนอื่นมาแสดงแต่จิตนั่นเองมันแสดงอาการของมันและฉายภาพออกมาตามสภาพของภาวะที่มันจะเอาจะไปหาเหมือนกับบอกว่าตัวฉันจะไปไหนก็จบฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะไปตามนั้นเพราะว่านั่นคืออาการของมันเองที่ปรากฏฉายออกมา